วันที่สามสิบวันที่สามสิบมืวานนี้ทองคำได้หนึ่งบาทหกนิ้วหกกุ้ทองหกนิ้วหกกุ้งตางดอนล่าได้ยี่สบสองดอนทองคำที่ต้องการเม้าคังหลวงคราวนี้สี่พันกิโลเวลานี้ยังขาดอีก สองพันหกิบสองกิโลครึง่งโอ้หนรวมทั้งคำที่มอบแล้วฝากไว้กับขังหลวงแล้วได้สองพันหกสิองกิโลครึง่งนั่ น, น, นที่ได้ยังไม่ยังไม่หลอมเวลานี้ยี่ิบเอ็ดกิโลพี่สองบาทห้าสิบจามอันนี้ยังไม่ได้หลอม ได้หลังจากล้อมแล้วนี่ยี่เลกิโลแล้วรวมตรงคำทั้งหมดได้สองพันแปดสิบสามกิโลครึ่งยังขาดตรงคำหนึ่งพันเก้าร้อยิบหกกิโลที่จะครอบสี่พันกิโลถนตอนล่าที่ว่าหนึ่งล่านจะจะฝากสมอบนั่นในเวลานี้ได้ เจ็ดพันโอเจ็ดหมืนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดเก้ายอน <c oughs> อันนี้ก็อ่านไปงั้นละคีดอนลา่ามันเข้าไปเรื่อยๆ <c oughs> เราก็เอาของเก่ามาอุ่นอ่านอยู่งั้นเหรอดอนลา่ามันได้มาอย่างนี้มันก็เข้าของมันเรื่อยไอ้เราก็อ่านอยู่ของเก่าอุ่นของเกากินอยู่งั้นมัง <c oughs> ไงมันก็เข้าของมันก็อยู่แล้ว วันนี้ด้วยปัจจัยจํนวน 4,500 บาทเจ้าค่าเป็นคณะของผู้ร่วมมือเจ้าค่ะเออถือพันหที่ที่เหลื อ, ลอสะสมไว้ในวันที่9้านะเจ้าค่าไม่ได้หายไปไหนเจ้าค่ะใชนัน <c> ค <oughs> ือเกโอ้คนอเก้อุดรนันคือ9วันนี้เป็นวันที่สามเอ๋ย 9, 9, 3, อยู่มเรอครับผมต้องเป็นเงินไปกระยาง วันที่เก้าถึงหานะคือรวมพี่น้องชาวอุยอนเราทุ ก, กอำเภอให้มารวมพายังพสายอหน้าของความรับใา้และความเสียสละให้พี่น้องทั่วประเทศไทยจะอยู่ไปยังไงอุรร์จังหวัดอุรอนเป็นบ้านเกิดของตาบัวเพียงหาขู่เอาเงินทางโน้นทางนี้มาทั่วประเทศไทย โม่เวลาจะเอาเมอออะอุดรได้กองคำได้หนึ่งได้หนึ่งสลึงอดอนลาได้ได้ได้สามดอนอเงินสดได้ห้าบาทฟังที่น้าเป็นไงเมืองอุดรเราได้เท่านี้วางเป็นไงหลวงตาไปเชื่อตะเวงเอาบาทหาเอาทั่วประเทศไทยมาได้ ทั้งที่ทองคำได้สองล้านอได้สองพันกว่ากิโลเงินดอนรากก็ได้จังสี่ล้านห้าล้านว่าไม่ต่ำกว่าห้าล้านแล้วทั้งทิดเข้าแ ล, แล้วยังไม่เข้าและต่ำกว่าห้าล้านนี่ดอนรากก็ประมาณห้าล้านเป็นอย่างน้อยว่ามาณเลยแล้วเ <C oughs> งินสดก็พอค่อยได้ประกาศแล้วที่ อยู่ในธนาคารส่วนที่ออกทําประโยชน์แล้วนั่นไม่นับค <c oughs> รา น, นี้ที่อยู่ในราคารก็แปดร้อห้าสิบกว่าล้านเนี่ยไปหาตะเวนทั่ ว, วประเทศไทยมามัดเขาย่อนเราเขาหากันนี้ด้วยบวกเขาดีจานวนนี้ด้วยเพราะว่าอูดอนไม่เห็นว่าอยู่ว่าไม่ว่าในะมัดคอมาเรื่องอยู่ว่าเราวาเข้าใจไหมเ อ, อามารวมอยู่แล้วทีนี่จะตั้งเป็นอูดอน ให้เป็นเนือเป็นหลังคนที่อุยู่อุดรพี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากันว่าอุดร น, นี่เป็นเบังเกิดของหลวงตะบัวเราเที่ยวตะเวนทองคํำต่อหน้าเมคนโสดจากพี่น้องทั่วประเทศไทยมาได้จดํานวนตางที่กล่าวนี้ในวันที่เก้านี้เป็นวันที่เราจะแสดงน้ำใจความรักชาติและความเสียหลัของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายโดยมีหลวงตะบัวผู้นําเหมือนกันเอเอย่าให้ขายหน้านะ ต้ อ, องไปหาขุดอุ้มหลุมมาไว้นะท่าว่ามันไม่เป็นท่าต้องจะบวชจะมุดลงหลุมเลยชนะอยาให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นพระกาศเทศสอนโลกนี้ก็ถอเพื่อประเทศไทยว่าไงสอนเพื่อประเทศไทยทุกอย่างาเวลามาโผล่ขึ้นมานี่ได้ดอนลาห้าจุดดอยให้ดอนลาสามจอ น, นี้เท่าว่ะเงยให้ยินนะะทุกคนแสางกับแรงน้ําใจของเราด้วยความรักชาติ แสดงคราวนี้อุดร์วันที่เก้าและ <c oughs> เหลือการแสดงทำในที่ต่างๆหลวงตาเขาไม่ได้ทำอย่างแต่ก่อนแล้วนัเวลานี้ลดลงแล้วที่จะให้รับประเทศ ส, าสตรารว่าการในที่ต่างๆตั้งที่ปฏิบัติมานั้นเรียกว่าลดลงลดลงมากแทบจะไม่เหลือที่เหลือก็คือว่าที่ใดจุดใดงานได้ที่สําคัญสําคัญใหญ่โตพอสมควร เราก็จะไปเทศให้ในงานนั่นๆแต่จะให้ไปทุกแห่งผู้หนเวลานี้ไปไม่ได้แล้วกําลังวังชาไม่อื้มนวยขอยด่น้องอะไรทราบเรียกว่าคอยด้วยกําลังไม่ได้คอยด้วยน้ําใจคอยด้วยกําลังในการเทศนาและการเวลานี้ก็จะรวดเร็วเช่นอย่างจะไปเทศอุดรนเนี่ยฟังดีเทศสอุดานีม่เห็น แล้ววัดอะไรวัดองค์ตื้อหรอเออที่ชี้ชท่าบ่อหรือวัดองค์ตื้อนะนี่ถันวันที่สิเก้าสิงหาเมกันวันที่สิเก้าวันที่สิเก้าดูเป็นวันเป็นสิงหาเป็นวันเสาร์นะเนี่ยที่หนึ่งที่จะไปเที่ยเางั้นก ยังไม่รับอะไรที่ไหนทําไม่แน่ใจจริงไม่เอารอบเดี๋ยวนี้นะรก ล, ลงลดลงหลวงตาเนยพยายามทำเนียยว่าทำความดีช่างตัวเองและพี่น้องชาวไฉ่ทั่วประเทศและทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีบกข้่องกําลังของเราเอา เ, เต็มเม็ดเต็มเหนียวเต็มเหนียวเต็มเต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยมากช่วยมาก <c oughs> ารบาเพ็ญกําลังชี้เลยปฏิปุ้นให้พี่น้องหลายฝั่งการพูดเหล่านี้ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแบบโลกเขาพูดกันนะเรานํำทำคือความจริงเอามาพูดหลังเราปฏิบัติตัวเราดัดแปลงแก้ไขทรมานทือผลที่เอาเกลี ภายในจขงเราออกก่อนหนักถึงขนาด <c oughs> สลับเป็นสลับตายมีผลก็ได้เป็นที่พอใจตามเหตุที่จะสละตายขึ้นมาผลก็เป็นที่พอใจพอใจอยังไงว่าพอแล้วว่ามันเลยผลนี่เป็นที่พอใจถึงขั้นว่าพอแล้วในสามเดือนลูกกระชากนี้เราต่อยหมดทุกอย่างแม่ไม่ถีบแม่ใจไม่เคยมาผ่านภายหัวใจเลยและทุก จะถ้าไี่อยู่เมตซายเราก็ไม่เคยเห็นมาผ่านในหัวใจของเราเนี่ยผาดหัวใจข่านร่างกายฟังสิคือทุกในหัวใจนั้นจะเกิดขึ้นอย่างหน้าของกิเลสมอกิเลสสิ้นสางไปมาแล้วทุกไม่มีตลอดไปพระพุทธเจ้าผู้หันท่านทุกไม่มีตลอดอนันตการเราจะไม่เป็นพผู้หันก็ตาม แต่ทุกไม่มีในหัวใจเราได้ห้าปีก่อปีมานี้แล้วเราก็บอกว่าไม่มีเลยจะทำยังไงก็ไม่มีเป็นอาฐานะเข้ากันแม่แล้วทุกสมมุติไทยเป็นสมมุติอันนี้เราค้นปจากสมมุติแล้วถึงนี้จึงไม่เกาะเกี่ยวได้เลย <c oughs> นี่ทุกในภาระใจของเรา <c oughs> นี่ก็เรียกว่าพ้นเป็นที่พอใจตามหลักธรรมที่เวาสอนแล้ว สระคารธรรมตัดไว้ช่อแล้วตัดไว้ขั้วดับทุกดับทุกกัะดับกิเลสนันเนี่กิเลสตัวชั่วช้าดำมกตัวไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ได้รกไม่รู้จักนรกอะไรกี่ตัวนี่อะตัวมันทําตัดให้ร่วงจมร่วงจมตลอดมาเนี่ย้าดมันขาดทาลงจากใจแล้วทุกไม่มีเลยตั้งจากขนานั้นส่วนทุกในร่างการร่างการนี่เป็นเป็นสมมุติอมันก็เหมือนสมมุติทั่วไว้ เก็บไข้ได้ป่วยบุง๋งแล้ว่าไม่มีอะไรขีดกันเลยเหมือนกันแต่วันก็ยังจะขันทนั้นใหาสามารถที่จะไปซุมซาบริวผ่านเข้าในจิตดวงนั้นได้อีกเลยทุกนด็ทของมันูปตามขันห้าขันห้ากองรูปคือการนี่หนึ่งกองเวทนาคือความทุกขทุกข์ความเฉยเฉยนี่หนึ่งนี่เรียกว่าขันห้า รูกเป็นชนะสัญญาความจําได้หมายรู้ออขความจําำรวมแล้วเรียกว่าความจําจําคนนั่นจําคนนี้จนนําบ้านนั่นบ้านนี้จำสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าสัญญานี่เป็นเป็นสัญญาขันสังขารขันคือความคิดความคิดควา ม, วามปรุงครองใจคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานส่วนคิดถึงอะไรถึงทําไม่ค่อยคิดมันแหละเข้าใจไหม คิดถึงลูกถึงหลานมาอยู่ในวัดก็คิดถึงลูกถึงหลานที่บา้านไปบ้านแล้วก็คิดถ้าคิดถึงวัดหัว อ, อย่างนั้นนี่เรียกว่าสังขารเข้าใจไหมสังขารคือความตึงของจิตความคิดของจิตวิญญาณความรับทราบ <c oughs> ตามองเห็นรูปรับทราบ พ, พับเสียงกระทบหูรับทราบ พ, พับดับไปพร้อมดับไปพร้อม นี่ชั้นเรียกวิญญาณนี่เรียกว่าขันท่าขันท่าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเป็นกองเป็นหมวดเันเรียกว่าขันขันท่าขันทาานี่ขันท่านี่เป็นสมมติจะแสดงตัวอยู่นี่จนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเรียกวันตายขันท่านี้แสดงอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะประยุติหมดสิ้นไปในเวลาตายขันห้านี่เันสมมติพ้าขันห้านี้ลับลงขันห้านี้ไปความกันหมดเลยเข้าใจไห ม, มในเวลายังไม่ไปที่ครองขันอยู่นั่นมันก็ดิ้นเข้ามันอยู่อย่างนั้น่ะลใจที่ที่ครองตัวอยู่นั้นรักทราบรักทราบแต่มันสามารถที่เขาไปสือกทราบรบกวนได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขันกับรบกวนได้เพราะจิต นั้นมีกิเลสกิเลสเป็นตัวเหตุแห่งการรบกวนเกิดทุกเกิดขึ้นในขันกระเทือนถึงจิตอะไรเกิดขึ้นเดียบหัวตัวร้อนกระเทือนถึงจิตกระเทือนถึงจิตสุดท้ายจิตหนักมากยิ่งกว่าโรคไข้ที่เกิดขึ้นภายในกายนะนี่เพราะเชื้อของมันซ้ำผ่านตัวก่อเหตุอยู่ภายในตัวนั้นขาดฉบับน่ยบายไม่มีจะทุกข์มากขนาดไหนก็เห็นว่ามันทุกข์มาก แต่ไม่เข้าถึงใจเป็นนัานะเหมือนน้ําตกลงบนใบบวัวตกไปปั๊บพิ้งปั๊บพิ้งปั๊บของมันเป็นเป็นธรรมชาติ ข, ของน้ําของใบบวัวที่ไม่ซึมซาบกันอย่างนั้นเว่าวิจิตของท่านผู้สิ่นชื่ของพระอรหันต์กับสมมุติทั้งหลายก็เหมือนกันตกครับพิ้งพิ้งตกไปตกไปเนื้อขันเนี่ยจะจิ่น จ, จ, นจดงนลงในเวลา สิ้นลมหายใจ <c oughs> พอขันนี้สิ้นสุดลงไปแล้วเรียกว่าอนุปทิเสศานุภานเป็นนิพพานร่วงล้วนแล้ ว, ลวสมมุตินี้ไม่เข้ารับเกี่ยวข้องให้รับผิดชอบอีกต่อไปนั่นขันห้าที่ดับก็ดับไปพ้มไปนี่ขันทั้งห้ามีอยู่ในทุกชาติทุกขัน<า><า>เมื่อเวลาทิเลศเข้าไปคลอง <c oughs> ขันทั้งห้านี้มันก็เป็นเครื่องมือของทิเลศ <c oughs> พาให้ <c oughs> ดีให้ชั่วไปแล้วที่เครื่องมือของธรรมด้วยอยู่ในนั้นส่วนมากเป็นเครื่องมือของพิเรศพาให้ธรรมจากความชั่วชา้าละโมกความคิดความปรุงอะไรไปทางพิเลศทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของพิเลศเมื่อพิเรศชินเศร้าไปแล้วก็เป็นเครื่องมือของธรรมแทนกันแต่ธรรมท่านมายึดพิเรศมันยึดขันห่าว่าเป็นเราเป็นของเรากว่าต้อนเข้ามาเป็นของมันหมด นี่แต่ทาท่านไม่ยึดมันจะเพียงมาใ ช, ช้เฉยๆพอสิ้นสุดอันนี้ลมหาใจขาดลงไปแล้วก็ขาดความกันเลยนี่เลยเรียกว่าสมมุติขาดโดยสิ้นเชิงจากความรับผิดชอบของพระอรหันต์ท่านในเวลามีชีวิตอยู่ท่านรับผิดชอบธรรมดาเป็นสัญชาติญาณนะ <c oughs> ไม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาและผิดชอบนะหากเป็นฉันชท่าจุฬา่างขันก็หยุดที่อาศัยหรือครองตัวอยู่เป็นอย่างนั้น <c oughs> เป็นของมันเองเช่นเราเดินไปตามทางอยู่นะ <c oughs> ระหว่างพระละหัน์กับปุถุชนเราเดินไปเนี่ยเช่นลื่นล้มเนี่ยระละปุถุชนก็กาเรื่องช่วยตัวเองใช่ไหมลื่นไม่ควรจะลม้มไม่ยอมให้ลม้มไม่ง่ายพระผู้ชิงจีเดพระละหันก็แบบเดียวกัน ไม่ควรล้มไม่ยอมล้มนะจนกระทั่งสุดวิเศยถึงจะล้มล้มจะล้มแบบงมายหมางายคนก็ไม่รู้นตอนนั้นเข้าใจไหมล่ะนี่เรียกว่าเหมือนกันการหัวเราะก็เหมือนกันเพราะเป็นขันกิริยาของสมูทมากระทบสมูทก็กระเพื่อมออกมาเป็นกิริยาของของของขันออกมาเช่นหัวเราะหัวเราะได้เหมือนกัน แต่ร้องไห้นั้นท่านเรียกว่าธรรมสังเวชขันตระแรงเช่นพระพุทธเจ้าปณิพาน์บรรดาพระหาวกทั้งหลายตรงธรรมสังเวชคือขันกับเพื่อมเข้าใจไหมละ่ะขันไม่ห้ามมันไม่ได้นะเพราะแล้พระพุทธเจ้าบณิพันธ์ได้เลึกถึงบุญทั้งคุณท่านนะ่ะเข้ามาประกอบรวมเข้าในสูนตรน้่เกิดความานองเลือดเ่นน้ําตาร่วงเข้าใจไหมพระหรหันต์ไม่มีน้ําตาเหรอ มันไม่อยู่ในกายของทุกคนน้ําตาก็คือขันแน่มันก็เพื่อมมันก็ไหลออกมาได้โดยความ ส, สลสดสังเวชนี่เวาท่านเลียวโสดชัยไม่ไดบอกว่าท่านร้องไห้เพราะท่านไม่ร้องคํว่าร้องไห้เป็นเหมือนคนทัว่วไปแต่ปวงธรรมะสังเวชนี่ป็นที่ยาของน้ําตาร่วงเกิดขึ้นจากขันกับเพื่อมสังขานปุ่งขึ้นมาจากความรักราบิเรียกพระเจ้าพระยินน่านแล้วนั่นแหละ พระอรหันต์ทั้งหลายท่านรงท่านลงฆ์ธรรมสังเวยอย่างนั้นมันก็น้าตาร่วงเมือนกันนี่เรียกว่าขันขันมันจะทําหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์เหมือนกันกับอุทุศนขันของบาลหันกับอุทิศนก็ขันเสมอกันการแสดงกิริยาของมันมันก็แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมันเหมือนกันแปลงแต่เพียงว่าจิตนั่น ไม่เข้าสืมทราบผิดกันเท่าไรเองเช่นเดินไปถนนน้นทางลื่นจะหกล้มนี่พระรหัน์กับคนสามัญธรรมดาจะช่วยตัวเองเต็มเหนี่ยวไม่ควรลม้มไม่ลม้มหรือกล้าเหยียบลงจะไปเห็นล่างไม้เหมือนกับว่าเป็นมูนี่โดดผางเลยข้ามเลย น, นั่นนั่นแหะเรี่ยว่าเป็นสัญญาติญารับผิดชอบรับผิดชอบไปอย่างนั้นไปเป็นเดียง ว, ว่าท่านไม่ยึดเท่าไรเอง แยบที่ต่างกัน ER ที่ยาที่ท่นแสดงตัวช่วยตัวเองนั่นนะเหมือนกันแต่ภายในใจของกุถิชนกับพระหาร น, นี่ต่างกันคือภายในใจของกุถิชนนี่มันจะตกใจจิตใจลอนวูบเลยใช่ไหมเวลามันตกใจนะ mm hmm. เช่นจะจะเหยียบงูอย่างนี้โตข้ามปึง น, นี่โอจิตใจนี่ลอนวูบเลยนั่นะแต่แต่พระหลนทไม่เป็นอย่างนั้นแยบ เพอรู้ว่าเป็นมูยับเท่านั้นนี่ขันแสดงยับเท่านั้นเองถึงจะล้มก็ล้มท่านไม่ได้เสียใจมันจะล้มก็ล้มไปมันคนไม่ไหวทานไม่ไหวกว็ล้มไปนี่กิริยานี่เหมือนกันขันของบัณฑิตเจ้าขันของบุตรชนเป็นขันเหมือนกันต้องแสดงเต็มตัวได้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าได้เขาถึมทราบถึงใจท่านเท่านั้นเองพากันทราบอาไว้เราจะพูดให้ฟังอย่างชัดเจนทีเดียวถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะ อเป็นอาหารหันต์เมื่ อ, อาหารหันต์ไม่สําคัญเอาความจริงมาพูดนี่ลักธรรมชาติของจิตท่านจึงเรียกสองอย่างว่าพูดสิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นพระหานั้นเรียกว่าสอุปาริเสสนิพานท่านได้ห็นิพานในเวลาเวลายังมีครองขันอยู่นั่นเที่ยวอ่สะสอุปาริเสสนิพาน กิตนั่นเป็นนิพพานรุ่นรนเป็นธรรมชาติรุวนๆนแล้วแต่ขันยังคลองขันอยู่ยังรับผิดชอบโดยธรรมชาติดูมันที่นีอนุปาทิเสสนิพานขันบรรลัยลงไปแล้วอันนั่นก็เป็นนิพพานรุ่นรนเลยไม่มีสมมูลเข้าไปเจือปนขาดกระบานลงไปตั้งแต่ลมหายใจขาดลงไปขันขาดลงไป ระหว่างสมมุติกับมิ ม, มุติขาดจากกันหมดความรับผิดชอบเนี่ยก็อย่างนั้นท่านจะเรียกว่านิพานสอง <c oughs> สอาวปฏิสานิพานนิพานที่ยังมียังคลองขันอยู่คือเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นกิเลสแล้วยังครองขันอยู่หนึง่งสิ้นกิเลสแล้วด้วยตายแล้วด้วยไปเลยนี่เรียกว่าอนุปาติเสสนิพานแสดงว่าท่านแสดงว่าในในกำลา ค้านได้ที่ไหนไม่มีที่ค้านธรรมชาตินิยันกันทันทียอมรับทันทีเลยนั่นนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพิจารณาทีตรงไหนไม่มีผิดมิเพี้ยนเลย <c oughs> สอนจัดโลกมาไม่มีผิดพลาดตลอดมาคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเ <c> ท <oughs> ี่าวพระวาจาพระพุทธเจ้าเอกนณามกิจหนึ่งไม่มีสองรับสั่งคําใดลงไปแล้วคํานั้นถูกต้องร้อยเปอร์เซนรอยเปอร์เซต ไม่มีสองวันเนี่ยสอนลอกมาเนี่ยมากขนาดไหนท่านนับประมาณไว้เพียงแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์นี่น้อยนิดเดียวนะแต่เป็นคำสั่สอนที่ถูกต้องล้วนๆไม่มีผิดเลยใชเวลาปฏิบัติตามไปก็ไปเห็นตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นจากที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนอะไรสอนไว้ที่เราไม่เห็นมันก็มันก็เหมือนไม่มีไม่มีเหมือนอย่างคน อ่หวัหวตาบอดชนต้นไม้ล่ะมันก็เข้าใจว่าต้นไม้ไม่มีนะมันก็ชนเอาชนเอาอันนี้พวกตาบอดมันเข้าใจว่าบาปบุญนรกไม่มีมันก็ทําตั้งแต่ความชั่วช้าละามกแล้วสุดท้ายมันก็โดนเอาดูดเอาโดนตั้งแต่บาปแต่กรรมโดนแต่นรกนั่นพระพุทธเจ้าผู้สอนโลกสอนให้หลีกมันไม่ยอมหลีอ ม, มันบอกว่าบาปมีมีแต่กลับไหนกันได้มา พระพุทธเจ้าไม่เคยลบล้างบาป บ, บุญนโลกสวรรค์นี่พร ม, มโลกนี้ผ่านสัตว์เปรตผีประเภทต่างๆไม่มีพระองค์ใดลบล้างเลยสอนไม่ตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยสมบูรณ์แล้วแต่กิเลสมันตามลบหมดตามลบหมดเข้าใจไหมนี่แหละกิเลตัวเป็นภัยต่อเรานะไม่ได้เป็นภัยต่อพระพุทธเจ้ า, เเจามันเป็นภัยต่อเราเองลบคำต่อพระพุทธเจ้าก็เท่ากับลบล้างตัวเองจากความดีทั้งหลาย ให้เข้าสู่นรกก็มีกีนั่นแหละมันบอกว่านรกไม่มีนรกไม่มีอนี้ความอยากทําตามใจชอบนั่นมันล้นค้นมันก็ไปตามความอยากทำํำมีตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นนะนั่นนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้พูดเรื่องอะไรวันที่ไปขันห้าเราไปเลยจําไม่ได้นะอย่างนั้นแหละพูดไปขันห้า พูถึงเรื่องว่าเอ๊ดูว่าเราทําอะไรขึ้นขันห่านจำอะไรแล้วนะอ๋อดูว่าจะเราทําประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยมากั้นนะทําให้เราก็เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยถึง ข, ขั้นสละเป็นสละตายก็ได้เป็นที่พึงพอใจถึงขั้นเมืองพอแล้ว อันลำดับที่สองก็ช่วยพี่น้องชาวไทยเรานี่ก็ช่วยแบบเดียวกันเป็นกระเพียงบ้าแกงหม้อใหญ่ไม่ได้เป็นหม้อเล็กของตัวเองหม้อเล็กหม้อเขอียวแต่นี่พุ่งเลยแกงหม้อใหญ่นี่อืดอาดอืดอาดเอาเชือกมัดคอมันลากมามาวัดซะบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปวัดมันว่เอาเชือกไปมัดคอดึงมานี่มันยังร้องแงะแงะมันไม่อยากมา อันนี้ล่ะนี่หละแกงม้อใหญ่ผู้ที่อยากไปไมีเข้าใจไหมไม่ต้องผูกจอมัดกันมันวิ่งตามเลยมีผู้ที่ไม่อยากไปไอ้ล้องแยกหักแยกหนัก น, น, นี่เตม็มวัดเต็มว่าในครัวยิ่งมากเสียงล้อแยกหนักยกหักอันนี้มากทางด้านวัดนี่ทางะบ้านท่าเลยนะเสียงล้องกเงกงกเงกตัวผู้เข้าใจไหมตัวนั้นตัวเมียก็ล้องแยกหนักแบบนีมันร้องแข่งกัน ตัวผู้ตัวเมียภาคกับคาราวาสฝ่ายผู้หญิงอยู่นั้นร้องแงะแงะฝ่ายภากก็ร้องงกงกงกคือคือถูกเอาทําตูงคอมันออกจากทุกมันไม่ยอมไปอืมมันสู้ช่วมสู้ฐานไม่ได้ร้องแงะแงะใส่ช่วงใส่ฐานเหมือนปล่อยม้าเข้าฐานถ้าปล่อยคอแล้วมันไม่ยอมออกนะปล่อยม้าเข้าฐานนนั่นมันเป็นอย่างนั้นละไปไปดีนี่มันจึงไปยากนะ อ้อำนาจของกิเลสมันดึงจริงๆนะไม่ใช่เล่นนะนี่ละหลักธรรมชาติอำนาจของกิเลสดึงลงตลอดนะอำนาจของธรรมดึงขึ้นตลอดอันนี้เวลาทำไม่มีกําลังนี่ดึงส่วนมากสู้มันไม่ได้สู้มไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราจึงทําความชั่วได้ตกนรกไวกี่ได้ใครอยากใครจะไปทําความชั่วทะลุนะใครจะจะไปตกนรกทะลุแต่กิเลสมันไม่ให้รู้แต่ความอยากทําตามทางที่จะไปลงนรกนั้นนะ่ะ มันเปิดไปโลกโลกมันก็อยากไปทางโลกแล้วลงเอาลงเอาไปอย่างนั้นมนะาเชื่อทํานะอ่กิเลนนี่ลบตลอดนะลบความจริงตลอดเลยตลอดมาแล้วจะตลอดไปความจริงนี่เป็นความจริงตลอดมาและตลอดไปนี่เป็นคนเล่าฝังฝังกิเลนเป็นฝังลบล้างความจริง ความจริงนั้นลบล้างสิ่งจอมปลอมคือกิเลสมันลบล้างกันอยู่แล้วเองให้เอามันลบล้างตัวเองนะพูด น, นี่เป็นโอปัญยิโกน้อมกรรมหาตัวเองตัวเองสิอย่าพูดนี้ทานเรื่องนั้นและนี้ไปว่าแต่คนบางคนนี้ตัวเองนั้นเป็นยังไงเอามานี่ท่านสอนสอนเพื่อเป็นกติโอปัญยิโกน้อมเข้ามาสอนตนภายในมั น, นถึงโถอย่างท่านไ้สอนไปเยี่ยมไปดูประชา้าคนตายไปยังไงแต่ก่อนเขาก็เป็นคนเป็นอยู่นี่ สมบติจนทองก็ของยุนดาบรารศักเต็มอยู่กับพวกนี้แหละเวลาตายแล้วมันมีอะไรนั่นเห็นไหมนั่นมีแต่กองกระดูกมาแรงกองหึงหึงอยู่นั่นไปยังไงนะมาเทียบกับเราที่เวลาเราตายแล้วก็ไปยังไงก็ก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นแล้วเราจะดิน้น จ, จะดิ้นไปแล้วนังหนาจนถึงก็ไม่มีป่าชาเขาตายต่อหน้าดิเห็นไหมนั่นไปเยี่ยมป่าชาท่านศนอย่างนั้นนะอเขาตายต่อหน้าเราจะไม่ตายเหรอ เราเพลินอะไรจนเกิดเนื้อเกินตัวจนถึงขนาดจะไม่มีป่าชาดูนั่นสินั่นเนี่ยมันจะไปตายแบบนั่นนะมันก็รู้ตัวคนเราเมื่อรู้ตัวมันก็หาที่ยึดที่เกาะที่ว่าจะจมไม่จมไหมถ้าถ้ามาหาที่ยึดที่เกาะจมแน่ๆนั่ น, นหาที่ยึดที่เกาะคือความดีได้ความดีแล้วมันกดีถึงงงานทักันเข้าใจนะท่านสอนไม่เยี่ยมป่าชาเป็นเครื่องสอนตนความตายมันมีอยู่กับตัวแต่มันมองไม่เห็น ต้องไปมองข้างนอกเส้าก่อนมองข้างนอกแล้วย้อนเข้ามาเทียบข้างในพอได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็ที่นี่กับป่าช้าภายในพิจารณากันตลอดอะไรสัต์อยู่ที่นี่นั่นมันก็รู้กันที่นี่เนี่ยนี่ก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่อยทุกอย่างเรามากครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้เห็นความโศ ก, กโศกโสมมของโลกมากทีเดียว แตหัวใจเราเราวา่างนี้เลยนี่เราพูดแบบคำเปิดเผยหัวใจมันรู้อยู่นี่เราว่าไงใครจะว่าไม่รู้ขนาดไหนมันจ้าขอามันอยู่อย่างนี้ปิดมันได้ยังไงมันรู้โสกโป่กโสมหมมีโศกโป่กมากทีเดียวในเมืองไทยของเราเนี่ยวงราชการนี้เป็นวงราชการเป็นวงที่โศกโป่กมากในซึ่งเป็นหัวจขงชาติไทยเราด้วยนะวงราชการนี้เป็นเป็นโสความโสกโป่กมากที่สุด เดียวอยู่ในวงราชการเนี่ยนี่เอาหลับคําจริงมาพูด ม, มันกินมันโกงมันรีดมันไถมันอะไรมันมีอยู่ในนั้นมาอยู่ในวงราชการนั้นมากน้อยเป็นมาโดยลําดับลาดานนะแตม่มากที่นี้ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, น, นจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้มันเป็นเป็นขั้นที่จะบอก บ, อกบุญไม่รับเลยนะกุศลธรรมมาอย่าไปกุศลาเลยกับพวกนี้นะมันบอกบุญไม่รับแล้วนี่หนาแน่มากที่สุด โดนฉลดจสังเวชเราเป็นผู้ น, นำสอนโลกด้วยอัดด้วยธรรมผิดถูกประการใดว่าตามปิดตามถูกนี่เวลานี้กำลังโศกปลวกมากก็ก็บอกชัดๆอยาเนี่ยก็เทือนไปทั่วประเทศไทยวงศาสนาก็เทือนด้วยเราก็ได้ออกมาประกาศป้างๆหากห้ามอย่าทมสิ่งชัวช่วช้าละโกกเป็นการกับทกกระเทือนแก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมือง มันก็เห็นเป็นอยู่นี่เห็นไหมล่ะมันหยาบขนาดไหนมันจะไม่ยอมเลยจะเอาตั้งแต่ตามความต้องการของตัวเองไม่ทราบมันจะเอาไปถึงไหนมันก็กรรมหรือการงานเหล่านี้เป็นงานโชกโภคพาลงนรกทั้งนั้นนี่นะเราสอนเราไม่ลงเราพูดงงๆผิดบอกว่าผิดแต่เราไม่ลงถูกบอกว่าถูกเราไม่ขึ้นเราพอของเราทุกอย่างแล้วสอนโลกด้วยความพอทุกอย่าง เราจึงสอนเต็มเม็ดต็มหน่วยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเพราะทําไม่เป็นค่าสึกกับผู้ใดเลยบอกอย่างโกงไปโกงมาเนี่ยใครจะตั้งเนื้อตั้งตัวปรับตัวตัวเองก่อนที่ยังไม่สายเกินไปคือลมหายใจยังหายใจฝ่อฝอยอยู่นี้ยังแก้ไขตัวได้ให้รีบแก้ไขซนะตั้งแต่บัด น, นี้นะเราอย่าไปท้าทายพระพุเทธเจ้าที่สอนว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีเนะลยเราอจาไปท้าทายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะถ้าไม่อยากจมทั้งเป็น ให้ภากันรีบแก้ไขไดัดแปลงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าแหละนี่ที่ความรู้ความฉลาดประการสาคัญก็คือไม่มีใครเหนือกรรมกรรมดีกรรมชั่วครอบอยู่หัวทุกคนทุกตัวสัตว์ใครจะแก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ไม่เหนือกรรมทําชั่วได้ชั่วทันทีทันทีอันนี้ตีกาไว้เลยตีกาไว้เลยทําดีได้ดีทันทีไม่จําเป็นมีต้องมีทีรับที่แกงอะไรละ่ะ ดีชั่วนั้นประกาศอยู่ในตัวเขามันเองเขามันเอ ง, อ ง, เองพาการกีแก้ไขดัดแปลงนะ <c oughs> ไม่งั้นจะจมนะชาติไทยของเรานี่จะจมเพราะต่างคนต่างไม่ยอมฟังเสียงอาจเสียงทำความถูกต้องดีงามและเหตุผลต่างๆมีแต่ดานทุนลังจะเห็นเอาไปตามความต้องการของตัวเองต้องการของตัวเองความต้องการมันเป็นเรื่องของกิเลสไฟเผาโลกร้นร้อนมันก็เผาทั้งเราเผาทั้งโลกก็ได้ไม่สงสัยเพราะคําว่ า, วากรรมมันนี่เหนืออยู่แล้ว ใครจะบรรลุล้างมาไม่ได้เลยว่า น, นี้เพศเพียงตัวนี้แหละนะละให้พรยะท้าวาดิบะนะปุราประเรบุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโชทินนางเปตานางอุปปัตเถอิชิตังปัติตังตรมหังทิปมิวะสมิตาตต สัพเพภูเรตุสังกปา <c oughs> จันโตปณะระโสยธามานิชโชเทระโสยถาสัพพิติโยวิวาจาตุสัพพโลโคมินาสตัว <c oughs> มาเตภวัตมันตราโยสุขีทีขายโกโภภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังุทาปชายิโน จัตตารโอธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาฬาสุ นอนเสี paranoid, ่ยวผ้าปล่อยแล้วเสี่ยวผร้ยอ้าเอ้า้าเสี่ยวเสี่ยวพระเสี่ยวผ้าวัดบาต่างใช่ไหมไม่ใชหม่นเะอะไระอะไเพาะเขาดีใจนะเขาเฮาเขาเฮาด้วยควดีใจพอเปิดมาเนี่ยวิ่งเพ่นดันนะไงอะไรบ้าง อะไรมาอะไรมาให้วะแท่จนคอจะแตกไม่ได้สักดอนหนึ่งมันกระพิลการเทศหลวงตาอาสาวาชนาเทศแทบเป็นชับตายไม่ได้สักดอนเลยนี่ใหม่นะพี่เล็ก น, นนะเฮ้ยอะไร นี่จะภาวนาถมายเวลานี้จะเอาดอนเข้าใจหรือยาทะเลถลายออกไปนิ่จะกาลังจะเอาดอนเข้าใจไหมเนยอนั้นแล้วจะภาวนาวายนี่จะเอาดอนหน่อยได้แล้วได้กันถ้พูดแบบง่ายๆจีบงังก็ใครให้เลย เมืองไทยเราทั้งประเทศขนไมาไห้เท่าไรแล้วลยังจะมาทวงอะไรอีกดอนสองดอนตลอดนี่ก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรมันก็พูดโก้โก้สนุกกันไปอย่างนั้นเลยนี่ยอ้เออนี่ยมาเออไอ้เหรอเฮ้ยฮึฮจำไม่จะงหน้าเรื่องจำมาจาก อ้ยนี่นาะง่ายบ่ง่ายบ่แ่าแ่าสีเชียงใหม่น้คนจว้เออเอาว่างะอว่างออืมาพคนยังเยจว้่าสีเชียงใหม่หรสียงเงสีเชียงใหม่ันามากคนจว้อืมทั้งี่อยู่เ่กตั้ง่อสหา รู้ว่าจาบ้านสามมงมั <niño surgeries> ้งเนื s uh. <S ้อไปแค่อะไรเราบ้านองตื้อหรืออะไรที่เกที่เก้ามันเป็นวันอ่ามเป็นวันเสารนะวันที่สิเก้ารับเขาแล้วกมันบอวเขาว่วันที่ส9บเก้ว่าวบ้านสามม้งนะเรื่องวัดอะไรจะว่าองตื้อมีมันมีชื่ออันหนึ่งสปานซึงออกองตื้ น้ำมงค่ะบ <t í> uh, ้านน้ำมง่ะทำแล้วแต่วชื่อเขามีชื่ออะยงก่อนแล้วตอนทํทายว่าองตื้อว่าแล้วก็เมาเลยว่าวัดองตื้อแหะว่ะเราค่อยไปวัดอีกสิใหญ่โอหน้าจักมือืออือเืาี่วัดองตื้อ โบราณรอพระพระองค์ตื่นนจะเป็นทองนังรอทองนั่ำเร็จด้วยทองนี่คว่าจะเป็นทองทองแดงทองอะไรก็ไม่รู้ละแต่เป็นทองนะืว่าพระองค์ตื่นใหญ่้วค่อยไปล้วคือว่านั่นอกระเสจริงนะ ผมต้องเรียนก็นมีนะเรียนก็นมา้งได้ต้้งชาทั้งหญิงเลนะผมตัอเรียนมีทั้งชายทั้งหญิงครับแต่พูดเงื่อตัวดีนะลูกหลานนะอืมใหมีแบบมีฉบับบ้านเมืองที่ดีที่สงบร่มเย็นให้ เป็นความสูงแต่ส่วนรวมเขาคือต่างคนต่างมีแบบมีชบัดมีกดเป็นอันดีงามปฏิบัติประจำตัวประจำตัวเมื่อค้าเข้ากันแล้วก็เป็นดีงามไปทั่วไปหมดตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้มันกำลังเตลอดเทอมมากเลยมระไทยของเราคือไม่มีศาสนาแล้วนี่ ต่อต้านลรบล้างศาสนาต่อหน้าต่อตาเห็นชัดๆจากผู้ใหญ่ด้วยป่าปาเฉื่อยๆอำนาจป่าๆเชื่อยๆกีดขวางโรคเป็นตั้งขวางค อ, อชาติไทยเราเวลานี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเป้งๆตัวสกปรกมากมากเลยเป้งๆกับแป้งด้วยความสกปรกไม่เป้งด้วยความมีงามพอจะให้โลกรุ่งเรืองมาให้หยุดหลานเลย ตั้งใจปฏิบัติอย่าเอาตัวเป้นๆสกรปรกเขมรซึ่งกำลังจะเป็นภัยต่อที่นั่งชาวไทยอยู่อะไรนี้มาเป็นตัวอย่างะจะจมกันทั้งชาติไทยถ้ากันซช้ตัวแก้ไขจะแปลง น, นะสิ่งนี้เป็นไสมาตั้งเโิมมีมากมีน้อยเป็นใสมาตลอดพ า, ากันระวังย้อนตาที่สอนนี่ถึงขนาดขั้นกระโดสองเล่ น, นะพูดจริงๆคือมันสร้างทา น, ทานทืำ ฉันเห็นธรรมว่าเป็นค่าสุดพี่เห็นธรรมว่าเป็นค่าสุดเราเป็นผู้สอนด้วยอัดยวธรรมชาติล้างจิงโฉกโปกซึ่งเป็นตัวภัยเจ่โลกชำรางออกเพื่อความสดสวยงงามของธรรมจะได้ดีขึ้นในหัวใจของโลกนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราพูดนี่แหละเราสรุปสังเล่มเหมือนกันนะโอ้หนาขนาดนี้นะศาสนาร่วงและสองพันห้ารนี เวลานี้เห็นชัดเจนว่าเรื่องของอาธรรมเนี่เข้าต้านทานธรรมรบล้างธรรมแบบดื้อแบบด้านแบบหน้าตาเฉยแบบไม่สนใจว่าเป็นของสูงของต่ายิ่งกว่าความบิดความยิ่งความเตยเหยาน ความยืเมเงื่อนยืมตัวของตนอ่านไปเรื่องของที่คือไฟเผาโลกร่วง ร, ร, รัวนมี่ละตัวสัมพัญธ์อย่างนี้กำลังออกแสดงภายนอกเท่าไหลายไม่เคยเห็นให้ดูวงศูนย์กลางของชาติไทยเรานี่ละรมผู้ต่งางๆนี่ไม่มีอะไรหยดร่อนยิ่งกว่าศูนย์กลางแห่งชาติไทยของเราอยนตัวนี้ตัวก่อเหตุก่อภัยอย่างร้ายแรงแบบไม่มีบาปมีบุญไม่มีกฎอันดีงามปกครอง ถ้าอันไหนที่จะหลีกเลี่ยงไปเพื่อผลประโยชน์เจากที่เหลแล้วหลีกเลี่ยงไปทันทีทงทีหลบนั้นหลีกนี้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำอืมปิ้งปั้งหลอกลวงอยู่ในนั้นเสร็จเลยมันเห็นความจะพิกไปเลี้ยในครูใดมันก็รู้การทันทันทีทันทีทำจับได้หมดนอกจากบจะพูดอยู่ไม่พูดตอนนั้นเพราะที่มันหยับหยากเหมือนปลาซีลอยน้ํามันมาที่หิวมันเผินทำจับได้หมดเลย ทะลุทะลุเลยนอกจากจะพูดหย่าพูดเท่านั้นเองทําำแล้วก็รวมมามาเพราะว่าลรงทำรรมาสั่งเวิกวางมันนะอืมเพราะเราช่วยพี่น้องชาวไทยช่วยด้วยลมปากนําออกมาจากคำพูดเจ้าชึ่นเป็นความบริสุทธิ์ส่วนมาสอนอันนี้ความจา ก, กระปลกโสมบ ม, มันนับปลกทำโปะทำปลกทำปกทำรอบร้างทำนั่นจึงเกิดความสุขสังเวิเนี่ยถ้ากันจาทุกคนนะ พอล้พอให้พอแล้วนะใหแล้วกูไปแล้วไม่ให้พอก็ไปแล้วเป็นความของสัตว์หรือวะนี่ไดให้รางวัลนี่เอานาะเขาเข้าเข้าเนาะไม่ต้องไปที่ไหนไม่ตเลย เอาสาวก็มีการเอาไอ้สาวก็มอ้สาวก็มีอะไรบางอืมเอาอเนี่ยขอไเงี้ยว้าโอ้โหโอ้ยแล้วเออแล้วเมื่อคืนนี้เราไปดูไอ้โกดังสาหรับอันนั้นนะพูดมาเสร็จแล้วมันก็ไม่เสร็จมันมาผ่านเขาอยู่ คือมื่อคืนนี่เราไปดูโกดังคือโกดังนี้เรามาเอามาไหว้เฉพาะเดี๋ยวนี้บอกว่าเฉพาะโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาล น, นี่มาทุกแห่งทุกผลไม่แว่นแต่ละวันละวันเมื่อวานนี่ก็ต่างงอยอำเภอต่างงอยจังหวัดสกนคนครแถวนี้เราเคยไปพักอยู่แล้วแถวบ้านต่างงอยเมื่อวานเขามาเนี่ยเขาเพิ่งตั้งตัวอำเภอแล้วเขามาเมื่อวานนี้ แล้วก็ไปดูของโกดังแน่นแล้วปีดท้งอื่นพระวัดไหนมาก็ไม่ให้เราวอกองค์เราไม่สรมพระให้ชี้เกียดติกินมากนอนตื่นสายเหมือนหมูขึ้นเสียงเราตักเพราะเราเคยจำเนินมาแล้วเราไม่ได้ดยุดได้ดีด้วยการอิ่มหี้ีหมาน ะ, ะเราได้ยุดได้ดีด้วยอานาจแห่งความ บกข้างขาดแฉ่งเขาเรียกว่าธุระกันดานมากที่สุการดำเนินของเราเราจึงได้นำเหล่านี้มาประมวลทั้งหมดที่เหลือเฟือทั้งหลายไม่ใช่ทางน่นที่ขาดแฉ่งกันดานนั่นแหละทางเดินของธรรเราเคยเป็นอย่างน้นเพราะงั้นเราจึงตัดบรรดาวัดทั้งหลายเราบีเอ็นจงแต่ว่าที่เราตั้งหน้าที่จะให้อันดับหนึ่งวัดภูัวนี่ให้เป็นประจํา แล้ว <c oughs> จะให <sh> ้ตลอดไปข้าพระเรานั Stock ่นย <sh arp please mig awa> <sh> ังตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราไปเยื่ยมเสมอแล้วแนะนํำต่างๆตลอดมาอแล้วเราจะบำรุส่งเสริมเพราะเราต้องการข้าดีหาธรรมจากพระดีเนั่นะให้ส่งเสริมทำให้ท่านอาถึงไหนถึงกันหมดไปหมดยังไปยังทรงประเละคั่งนี้เป็นสองสองแสนสองแสนกว่าเงินกลางศูนแต่ละขั้งละขั้นนะไม่ใช่น้อ เราพูดเฉยแล้วไม่พูดด้วยความเสียดายถ้าเราเสียดายเราทำไม่ได้วางมันเถอะมีด้วยความเสียสละเพื่ออาจจะทำส่งเสริมพระมีวัดคูแห่งหนึ่งแล้วกวัดคูสังโฆอันนี้อยู่ลึกอันอยู่ลึกมีพระจำนวนมากท่านวันชัยเขาเป็หลักเป็นเกณฑดีอยู่เราก็ไว้ใจเราจึงส่งเสริมเ น, นี่ยสองวัด น, นี้ มาเมื่อไรได้เมื่อนั้นเราเปิดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเราไม่ให้เลยบอกเราเคยให้มามากตว่ามากแล้วเครื่องจะมาปิดตอนนี้แหละเพราะทางโรงพยาบาลหลังไหลมาม า, มากทีเดียวเดี๋ยนี้ <c oughs> ขนมาทั้งขนให้ทางโรงพยาบาลทั้งขนให้ผ้ามาจากวัดต่างๆเหมือนเป็นผ้าขอทานไม่เอาว่างนี่เพราะบวชมากก็เป็นผ้าขอทานมาแล้วยังจะมาขอทานหลวงตาบอัวอีกเลีงไม่โตลูกศิษย์นี่ว่างเข้าใจไหมล่ะที่นี่ไม่เลี้ยง เราจะเลี้ยงอัดเลี้ยงทําตลอดไปตลอดเหมือนนั่งตลอดมานันเองอย่างนี้เราไม่เสริมนะเมือ่อวานนี่เพราะใบนั้นเ <c oughs> มื่อคือนนี่เราจะเคยอ่านหรือไม่อ่านเราก็ไม่ทราบหลย <c oughs> ไปจับหนังสือที่ก็มกองพระเลนหนังสือนี่พิมพ์เป็นเท <c oughs> ่าที่เราทราบหนังสือหยดน้าบนใบบัวเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเล่มกระิงแดงบริษัทกระิงแดงกับดเรเฉาวรวมหัวกันทุ่มส่งมา กระทรวงต่างๆตรงร่องโรงเรียนเขาส่งไปหมดนี่เขาก็ส่งมานี่เพื่อให้แจกประชาชน <c oughs> เรามาอ่านด้านหลังเนี่ยเมื่อาาคืนนี้ล่นะสะดุดใจตึกเลยด้านหน้าเขาก็บอกไว้แล้วดังที่เราเห็นด้านหลังมีอีกนะสุดเล่มปกหลัง <c oughs> ว่าเราจะทําประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาเต็มความสามารถวางั้นน ะ, ะว่าเรานี่แหละ เราจะทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาเต็มความสามารถ <c oughs> หลังจากนี้แล้วคือเราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดไปจนถึงเป็นว่าอนันตการเนี่ยถึงใจทั้งสองเลยหาที่จ้องติดไม่ได้คำอันนี้ออกจากหัวใจเราแน่ใจว่าเราเป็นผู้พูดจึงมาเขียนห้องเราเราถอดออกจากนี้จริงๆเราไม่สงสัยเนี่ยที่ไปสะดุดใจเมื่อคืนว่า หลังจากนี้แล้วคือเราจะทําประโยชน์ให้โลกเต็มกําลังความสามารถของเราด้วยความเมตตาล้วนๆนี้อันหนึ่งนะแล้หลังจากนี้แล้วคือเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดโลกกนี้อีกต่อไปตลอดอนันตการว่าเท่า น, นั้นเราอ่านแล้วสะดุดใจกึกเลยแล้วเหมาะกันเราก็หาที่จ้องติคํานี้ไม่ได้เลยถอดออกจากหัวใจนี้ไปวูบเป็นความจริงล้วนๆนั่นแหละเอาละพิจิตริปป์ก โลกทามันพอมีนิสัยบ้างแล้วมันก็จะรับไปปฏิบัติกันถ้ามันไม่มีอะไรเลยก็เป็น <c oughs> ส่งทั้งท่อนแล้วก็ปล่อยไปซ้าลำน้ำไปเท่านั้นเองหมดเท่านั้น ก็จะของไปส่งโงไปบ้านก่อนแล้วไม่ได้ไปส่งลงนีามานานๆครับงสารนะพวกมาก็มาที่เราเอาไปให้ก็เอาไปเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไอ้ยองนะ่ะไอ้ยองก็ไปกี่เยมันรู้นะเสี่ยวมันอยู่ตรงไหนมันรู้ทันทีแล่ะปั๊บเข้าไปเลยนั่นนะเห็ไนไหมไอ้กี่ไอ้ยองเนี่ยมันเก่งละ่ะเก่งทั้งเขาไปหากินในครัวเข้าไปในีท้องป่องออกม า, านี่ ไปจบด้ยหมดะในครัวนั่นเนี่ยมันตัวประจบสองตัวเนี่ยประจบเก่งไปหากินทั้งนั้นแหละพออิ่มท้องแล้วออกมาจัดอาหารให้เฉยเลยไม่เฉยทิ้งหายมันมีท้องเดียวถ้ามันมีสิบท้องยังคอนชั่วหน่อยเอาแจกไปทีนี่ของลุงตานี่เอาแจกไปเลยไปหมดลวเอลครับงานเงินมล่ะ <c oughs> ให้ภากันตั้งใจภาวนานะอย่ามานอนอยู่เฉยนะไม่เกิดประโยชน์นะ <c oughs> ตามดูวันที่จิตดวงเนี่ยพาเกิดพาตายกี่พวกกี่ชาติตั้งกับตั้งกันมาจิต ด, ดวงเดียวนี้นะมันไม่เคยตายจําให้ดีนะร่ <c oughs> องรอยของมันมานะมีแต่กองทุกมาด้วยกันเกิดที่ไหนพบได้ชาติใดนั้นมีแต่กองทุกติดตามไปติดตามไปเพราะกิเลสไปไหนทุกไปตามเนี่ยให้ตามร่องร อ, อยมันด้วยธรรมติดตามมันภาวนา มันขี้เกียจฟาดความขยันลงไปตีความขีเกียจเมันแตกกระจายเป็นหนึ่งตามให้มันทันดีเมื่อทันแล้วไม่ไม่ต้องไปถามใครอืพูดแล้วสาธุพระพุทธเจ้ารสาธุคาะก็ไม่ถูนถามท่านของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสารทิโพความรู้เองเอ ง, เองประกาศป้างมาแล้วสงสัยไปที่ไหนนั่นนี่แหะตามทันแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นนิพพานสราจบร้อนๆแล้วไม่สูญธรรมธาตุ นิพพานศูญไปไหนนั่นนี่แหละถึงแล้วก็ไม่ศูญถึงที่สุดเรียกว่าที่สุดแห่งทุกหมดโดยสิ้นเชิงก็ธรรมชาติที่บรมสุขนั่นไม่สูญนั่นจิตรงนี้ไม่เคยศูนย์นะมันเกิดมันตายอย่นี้ก็ไม่ศูญเรียกว่านักท่องเที่ยวพอสิ้นจากนักท่องเที่ยวนี่หงนิพพานนิพพานนางปรามังสุขขังนั่นศูนย์ไปไหนถ้าศูนญเอามาอะไรมาเป็นปรามังสุขขังปะยินายดีนะ มาอยู่นี้เฉยไม่ได้นะใอ้ดูกีตดวงเนี่ยมันเก่งนักนะยิเลศเก่งทร ม, มาไม่ได้เก่งสู้มันไม่ได้ไปแล้วทีนี้ไปแล้ว อ, ลอันนี้อันนี้ช่องห้านะช่องห้าช่องเออเมื่อวานนี่ช่องสามก็มา วานี่ช่องสามก็มาตอนเย็นเขาจะขึ้นเครื่องบนเอามาช่องสามเนี่ยทีประกาศทั่วประเทศไทยช่องสามออกได้ละเอียดละออด้วยความสนใจเรื่องใสศาสนาจริงๆคนที่เขามาชมเชยชเฉยเฉินเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นเห็นไหมคนมันลูกกันเนีเาออกมาด้วยความจงใจด้วยความเคารพเรื่อมใสสนใจจริงๆริงเขาก็รู้ออกมาเพราะเป็นพิธีเขาก็รู้เข้าใจไหมละ่ะนี่ที่ไหนออกมาก็อย่างนั้น เมืองไหนเมืองไหนจังหวัดไหนมาเนี่ยก็ทราบนี่จากช่องสามเนี่ยจากช่องสามช่องสามใครมาพูดเสียงเดียวกันหมดแล้าก็เล่าให้เจ้าของเขาฟังให้เป็นที่ยินดีงานนี้เป็นงานที่ชอบจำอย่างยิ่งแล้วตอนนั้นหลับไปแล้วดิอ่นั่นก้กือบเก้าโมงแล้วขัดแขนอยู่ไม่ี่งเนี่ย ถ้าไม่ใช่หมอสมบูรณ์นี่เราจะเป็นอวัยวะนะคือเวลานวดนี้ปล่อยเลยนะนถึงขนาดนั้นมันจริงพอขนาดนี้นะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงเดีย๋ยวนี้เหล่านี้คือปล่อยเลยพอนวดแล้วเอาเลยฟาดลงไปเดียวอาเรจะขาดให้ขาดไปเลยนุ่นฟังที่ของเล่นเมลัยวะเวลานวดเสร็จแล้วยกแขนก็ไม่ขึ้นมันตายหมดเข้าใจไหม มันทุกทุกแสนสาหัสก็รู้ว่าแสนสาหัสแต่ไม่เข้ากระทบอีกเข้าใจหรือเปล่านี่แหละที่ปล่อยเลยปล่อยเลยเอามันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายพอมันตายทุกข์ก็ดับไปพ้อมจิตที่รู้นี่ไม่ดับนั่นมันทราบตลอดกันอย่างนั้นจะว่าไงแล้วจะให้มันกล้ามันกลัวกับทุกข์ลงไหนวะพูดให้มันชัดเจนนี่เราไปนวดเช่นที่ไหนเช่นอย่างที่ว่านโลหิตศักดิหรือนี่ก็เอามาพูด นี่กับหมอนี่เก่งอาจารย์มาอวยกับคุณหญิงทรงศรีศาสาตราจารย์นายแพทย์อวยนั่นแหละไปติดต่อหมอเข้ามาเขาว่าหมอคนนี้เก่งมากทำอานิมอลเราเราก็เลยไปเห็นว่าเก่งจริงแล้วก็ไปไปก็ให้หมอจับดูเพราะแขนนี่มันจะยกไม่ขึ้นแล้วมันหมดเหล่า น, นี้มันจะตายไปแล้วแหละมันจะชาไปแล้วแต่มันกําลังเจ็บมากหมอเขามาันมาจับดู เอาเป็นยังไงวะวันนี้เอากันได้ถึงพริกถึงขิงเราว่างั้นแหละแล้วมีโรคแทรกไหมบอกไม่มีมีแต่เส้นรวนๆท่านนวดนี่แล้วมันจะหายไหมหายขาวางไงอ้าวทางอันจะตกลงกันวะ <c oughs> นี่เราเชื่อหมอแล้วนะบอกเอานวดให้เต็มเหนียวเลยอะไรจะขาดถ้ามันขาดออกไปเราเชื่อหมอพอนวดเสร็จแล้วหมอจะเอามาต่อคืนเอง <c oughs> พ่อว่างก็ปล่อยเลยสาดกันเต็มเดนี่ยวขึ้นบนหลังเลยเจ้านะขึ้นบนข้องเลยหมอสาดกันเต็มเดนี่ยวพอนวดได้สองชั่งมืง ก, กว่านะครั้งแลกนะพอลงมาผมขอากราบท่านอาจารย์อีกทีหนึง่งว่าพระเหตุไรว่าสินะผมะนวดเท่นมานี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนผมไม่เคยเห็นใครเลยว่าที่จะ เป็นแบบอาจารย์แบบสูงทั้งท่อนเถอย่ผมไม่เคยเห็นผมจิงขอกราบซ้าอีกว่างั้นนะเราก็ไม่ลืมเนี่ยแหละนัละขนาดนั้นเรฟังยหมอขอกราบอีเขาบอกเขาไม่เคยเห็นจริงๆเขาว่านวดเจ็บมานี้เป็นหมื่นๆมื่ น, นแสนแสนคนไม่เคยมีเพิ่งมีทอาจารย์องค์เดียวนี่เท่านั้นแล้ว อันนี้ก็เป็นทำสมบูติอีกแล้ว น, นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่มีไม่มีที่ไหนยกตัว อ, อย่างมาอย่างท่านเพลงอาจารย์เพลงเี๋ยวองจา่จาจ่าแอันนี้เฉยเปล่ก็มันเฉยจริงๆปล่อยแล้วเปอยงนั้นนะเอามันจะทูกขนาดไหนมันไม่เลยตายจิตไม่ตายนั่นทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงต่างอันไม่กระทบกันอันไหนจะขนาดไหนมันก็เป็นของมันเข้าใจไหมล่ะกระทบกระเทือนอะไรเอาปล่อยเลยนั่น หาความจริงคือความถูกต้องเท่านั้นเอาปล่อยแต่ถ้าว่ารายไหนมานวดเราไม่แน่ใจว่าเจ็บนี่อาจจะผิดพลาดไปก็ได้เจ็บเพื่อถูกอเอาฟาดออไปเลยถ้าว่าหมอประเภทที่เรายังไม่แน่ใจว่าเจ็บมีลักษณะแข็งอยู่บ้างเราก็บอกอันนี้เจ็บแฝงนะเราบอกเตือนถ้าเป็นท่านสมบูรณ์แล้วปล่อยเลยเป็นอะไรปล่อยเลยแขนจะขาดก็ให้ไปเลยเข้าใจไหมนี่แหละเป็นอย่างนั้นะฟังที่พี่น้องไหล นี่แหละนวดแบบนี้แหละนวดแบบไม่มีในสมมติว่างั้นเลยถ้าสมมุติร้องจ้า ก, กี่จ้า ก, กี่นี่ปล่อยเป็นสมมุติให้เป็นสมมุติไปแล้วไม่มีวาดตรงนี้แขนขาดขาดไปเลยไม่มีที่ร้องจ้าจ้าอย่างว่าเข้าใจไหมนั่นเราทจริงอย่างนั้นเราเอามาสอนสอนเล่นเมื่อไหร่สอนพี่น้องตั้งหลายนะถึงขนาดตัวเองก็เอามาเป็นพยานเนี่ย้าลงไปจกนกระทั่งถึงว่าเอาเอะไรจะขาดให้ขาดไปปล่อยเลย ทุกเป็นทุกกายเป็นกาจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่มีกระทบกั น, เ, นเมื่อไม่มีอะไรกระทบกันแล้วจะมีความได้ความเสียที่ตรงไหนวะก็มีแต่ความจริงร่วนๆทันนั้นเองนันนั้นแหละไปพูดมามันก็พวกนี้มันจะอ้าปากงครับเราจะไปอะไรพวยมันยังับปากงับปากเราจะไป <laughs> <laughs> พูดทุกแบบพูดทุกแบบทุกฉ บ, บับโตโตโตโตโต ยืนแลก็ลยืนอยู่นิดหนึองแต่แล้ลูกคุณที่แรกเนี่ยเขายังไม่หายนะเขา